สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมนาถกรคนชอบเล่าขอยกเรื่องที่มีท่านผู้แชร์ท่านหนึ่งเรียกล่าวถึงเรื่องราวของคุณพ่อของเขากับลุงชมเพื่อนของแกเมื่อครั้งที่ไปนั่งในป่าด้วยกันท่านผู้แชร์บอกว่าคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งท่านเคยออกไปนั่งห้างเพื่อยิงเก้งยิงกวางไม่ใช่ไปเอาไปขายแต่จะเอากลับมากินกันในหมู่บ้านซึ่งก็มีเพื่อนบ้านติดตามเข้าไปด้วยสองคน เพื่อให้ต้องตามตำราที่ว่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายแต่3ามคนไปสบายอะไรทำนองนี้วันนั้นหลังจากที่เดินเข้าไปในป่าลึกกว่าค่นวันแล้วก็ถึงหนองน้ำที่มีโป่งดินเกลือซึ่งคุณพ่อบอกว่าโป่งดินเกลือเหล่านี้พวกสัตว์ป่าชอบออกมากินกินอยู่เสมอเสมอเพราะจะทำให้มันได้รับธาตุไอโอดีนจะทาให้ร่างกายของมันไม่อ่อนแอและพ่อก็บอกว่า ถ้าหากว่าจะล่าสัตว์ให้ได้ก็ต้องไปดักที่ริมหนองน้ําหรือไม่ก็แถวป่งนี่แหละวันนั้นพวกพ่อทั้ง3าคนก็ช่วยกันสร้างห้างสําหรับพักค้างคืนที่บนต้นไม้ที่จะต้องสร้างแบบนี้ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าสร้างอยู่ที่สูงสามารถมองเห็นสภาพป่าทั่วไปได้ในระยะไกล1แหละ 2. ก็คือช่วยป้องกันภัยจากสัตว์ร้ายที่อาจจะรอบทำร้ายเราโดยที่เราไม่ทันระวังตัวได้ 3. ก็คือช่วยกำ บ, บังตัวเองไม่ให้สัตว์ที่มากินน้ํา รู้ตัวว่าถูกซุ่มดูอยู่คืนนั้นหลังจากที่กินอาหารกันเรียบร้อยแล้วก็สร้างห้างพอที่จะนอนพักกันได้แล้วทั้งสามคนก็ลผลัดกันอยู่เวรเพื่อเฝ้าดูว่าจะมีสัตว์ตัวไหนลงมากินปูงหรือว่ากินน้ำกันบ้างหรือเมื่อเวลาล่วงเข้าสองยาม ก, กว่าคุณพ่อก็บอกว่าขณะที่นอนหลับอยู่นั้นท่านก็ต้องมาสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเมื่อปรากฏว่ายามที่ท่านชอบสะพายติดตัวนั้นแลววางอยู่ที่บนหัวนอน มันเคลื่อนไหวขยุกขยิกจนมาชนเข้ากับใบหน้าของพ่อทําให้พ่อต้องลืมตาตื่นขึ้นทันทีที่ตื่นขึ้นพ่อก็พองอกหัวขึ้นมาดูมองหาเพื่อนร่วมทีมที่ติดตามมาด้วยว่าเป็นยังไงกันบ้างคนหนึ่งก็นอนหลับคุดคูอยู่ข้างๆเพราะเพิ่งเปลี่ยนเวรกันแต่ไอคนที่อยู่เวรน่ะมันกลับหายไปไหนไม่รู้ปกติเมื่อขึ้นอยู่บนห้างแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่พรานทุกคนจะต้องจดจำเอาไว้และปฏิบัติตามก็คือ อย่าลงจากห้างในยามค่าคืนเด็ดขาดเพราะอาจจะมีไรซุ่มเล่นงานเราอยู่ก็ได้เมื่อเห็นเพื่อนร่วมทางหายไปตอนนั้นพ่อก็รู้สึกเป็นกังวลมากแต่เอ๊ะจับความรู้สึกได้ว่าต้นไม้มีการสั่นไหวพ่อเลยเช่งอกหน้าลงไปมองดูก็เห็นว่าเพื่อนคนนั้นที่เป็นเวรยามเน่ะกำลังต่ายพระ อ, องค์ที่พาดเอาไว้กำลังลงไปข้างล่างอย่างช้าๆช้าๆและเมื่อมองลงไปเบื้องล่างถัดไปสักสิ้าหลา ก็เห็นว่ามีแสงไฟวับวั บ, วบแบมๆส่องสว่างอยู่ถึงตอนนี้ที่พ่อเล่าให้ฟังผมยังจําคําบอกเล่าจากปากของลุงชมได้ดีเลยเพื่อนคนหนึ่งของพ่อซึ่งเกือบจะตายในคราวนั้นลุงแก บ, บอกว่าถ้าหากพ่อของหนูไม่ช่วยเอาไว้ละก็ลุงก็คงจะกลายเป็นเหยื่อของมันไปแล้วลุงชมเล่าว่าขณะที่แกกําลังนั่งเฝ้าเวียนยามอยู่นั้นสายตาก็มองไปเห็นแสงไฟวับๆับๆแบมแมออกมาจากพุ่มไม้ในตอนแรกก็ให้สงสัยว่า จะมีใครวะมาทำอะไรอยู่แถวนี้แต่พอดูอีกทีคนที่มานั้นก็คือเมียของแกนั่นเองที่ถือครบใต้มาจากบ้านเมื่อมาถึงก็มายืนกวักมือเรียกแกอยู่ไหวๆให้ลงไปรับเอาห่อข้าวที่หิ้วมาด้วยในตอนแรกลุงเองก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเมียมาทำไมเนี่ยพราะเข้าป่ามาที่นี่ก็ไม่ใส่ไกลๆเดินกันเป็นวันครึ่งวันเชียวนะแต่พอแกเห็นว่าหิ้วของมาให้ก็คิดว่าน่ากลัวจะเอาข้าวมาส่งจริงๆ เพราะว่าเราก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเลยนอกจากเกลือกับไม้ขีดไฟและตอนบ่ายที่ผ่านมาก็ยิงนกกันได้ก็เอามาย่างกินกันไปแล้วเป็นอาหารเย็นกับข้าวเหนียวที่ใส่กระติบมาและพ่อกระแทกเล่ามาว่าลุงชมมาลงไปเกือบจะถึงพื้นอยู่แล้วตอนนั้นน่ะพ่อก็เลยต้องปลุกให้เพื่อนอีกคนหนึ่งตื่นขึ้นมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นในความคิดของพ่อเห็นว่าผู้ที่มานั้นไม่น่าจะเป็นเมียของลุงชมได้เพราะว่าหนทางระหว่างหมู่บ้านกับกลางป่านี้มันไกลโขกันอยู่มาก บียร์แกจะเดิน ม, มาถึงที่นี่ได้ยังไงที่สําคัญถ้าหากจะเอากับข้าวมาส่งกันจริงๆทํำไมถึงมาเอาดึกป่านนี้ทําไมไม่มาตั้งแต่หัวค่ําขึ้นชื่อว่าผู้หญิงเน่ยกลัวกลางคืนกับความมืดจะตายไปไม่มีใครหรอกที่กล้าเข้ามาแน่มืดก็มืดน่ากลัวก็น่ากลัวแต่พ่อก็ยังไม่มั่นใจนะักจึงปลุกเพื่อนขึ้นมาอีกคนหนึ่งเพื่อดูให้แน่ชัดว่าสิ่งที่พ่อคิดนั้นมันตรงกับความคิดของเขาหรือไม่เพื่อนร่วมทางผู้ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหล ก็มองตามลงไปแล้วก็ตัดสินใจในวินาทีนั้นว่าซื้อสมิงหรือไม่ก็ผีป่าแน่ๆไม่มีทางเลือกอื่นคุณพ่อก็หยิบเอาปืนที่บรรจุ ก, กระสุนเรียบร้อยแล้วขึ้นมาประทับบ่าในขณะที่สองคนข้างล่างกำลังเคลื่อนไหวเข้าหากันอย่างช้าๆจู่ๆเหมือนกระฟ้าก็ผ่าขึ้นมากระทานหันปังเมื่อปืนยาวกระบอกนั้นคำรามก้องป่าคบไฟจากใต้ที่เมียของลุงชมถืออยู่ ก็ปลิวกระจายไฟดับวูบพร้อมกับเสียงกีดร้องอย่างห้อยหวนแต่เสียงที่กรีดห้อยหัวนนั้นมันไม่ใช่เสียงของคนหากดังแบบฮูกหากเหมือนเสียงของเสือคำรามพร้อมกับราวป่าแถบนั้นก็สั่นไหวเป็นแถบแถบตอนนั้นลุงชมเดินเข้าใกล้เกือบจะถึงเขาอยู่แล้วและตอนที่เสียงปืนมันดังขึ้นนั้นลุงแกก็บอกว่าตอนแรกลุงเองก็ตกใจจนทำเลไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่าข้างบนยิงทำไมแต่พอที่ได้ยินเสียงร้องดังฮู้กของเสือเท่านั้นแหละ ลุมก็เพ็นขึ้นแนบระบนห้างทันทีเลยตอนที่ลงไปเนี่ยใช้เวลานานหลายนาทีนะแต่ว่าตอนที่ตกใจปีนขึ้นมาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันขึ้นมาได้ยังไงไม่ถึงสองนาทีด้วยซ้ําแปบ๊บเดียวจริงๆผู้จบแกก็หัวเราะชอบใจผมเลยถามพ่อว่าพ่อยิงครบใต้ไฟทําไมอ่ะสาเหตุที่เลือกยิงครบใต้ที่ผู้หญิงคนนั้นถือมาด้วยก็คือว่ามีเคล็ดลับสําหรับคนที่คิดว่าจะจับสมิงให้ได้ก็คือ ถ้าหากจะยิงเสือสมิงให้ตายก็ยิงตรงสิ่งที่มันถือมาเพราะว่านั่นคือหัวใจส่วนที่เราเห็นทั้งหมดนั้นก็คือภาพลวงตาที่มันบันดาลให้เกิดขึ้นเท่านั้นเองและพอพูดถึงตรงนี้พ่อก็บอกว่านี่ก็จะเป็นเคล็ดลับจริงข้อหนึ่งแต่อีกข้อหนึ่งคือว่าไม่มีใครแน่ใจได้ว่าผู้ที่มาหาในยามค่ําคืนนั้นจะเป็นเสือสมิงจริงทั้งหมดไปหรือไม่ดังนั้นการที่บอกให้ยิงตรงสิ่งของที่เขาถือมานั้นก็เพื่อทดสอบว่าผลจะออกมาอย่างไง อย่างน้อยถ้าหากว่าคนที่มานั้นไม่ใช่เสือสมิงก็จะไม่ได้รับบาดเจ็บอันตรายใดๆเพราะคนยิงเล็งไปที่ของไม่ใช่คนแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่เชื่อกันว่าเป็นความจริงเสือสมิงก็จะถูกยิงเข้าหูใจพอดีแต่เสือสมิงตัวนี้ไม่ตายมันหนีไปได้พร้อมกับเสียงร้องคำรามไปลั่นป่าและดูเหมือนว่ามันยังฝ้าวนเวียนอยู่อย่างนั้นทั้งคืนเพื่อที่จะหาทางขึ้นมาง่าปเอาพรานกลุ่มพวกพ่อไปเป็นอาหารให้ได้ไม่รู้ว่าจะทํายังไงกันดี เพราะถ้าขืนปล่อยไว้เป็นแบบนี้มีหวังไม่ต้องหลับต้องนอนกันแน่แน่ในที่สุดพ่อก็ล้วงเอาสิ่งของสิ่งหนึ่งออกมาจากย่ามของพ่อและของสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่ทําให้ย่ามนั้นสัน่นผับผับที่ทําให้พ่อต้องตื่นขึ้นมาพ่อหยิบอาวตานูสีทองแดงอมดําออกมาลุงชมเล่าว่าตอนนั้นน่ะพอลุงชมเห็นขนลุงลุกสู้ขึ้นมาเลยพ่อก็ยกอวตารูขึ้นจบบนศรีรษะพึมพำคาถาตามที่ได้รับการสอนมาจากปู่ขมุบขมิบ ก่อนที่จะค่อยๆไต่ลงไปตามเพ อ, องุงจนได้ระยะแล้วก็ปล่อยออกไปพร้อมกับบอกว่าเอามันเลยลูกทิพตา น, นั่นเองวัวุนุทองแดงก็ขยายตัวขึ้นมาใหญ่ยักษ์พุ่งปราดออกจากโคนต้นไม้ท้ถาถมก็ใส่พุ่มไม้ที่เสือสมิงนั้นซ่อนตัวอยู่เสียงกู่ร้องก้องไปทั่วราว่าเรากับว่ากโกรธแค้นไม่รู้กี่ชาติตอนนั้นมืดมากมองไม่เห็นอะไรรู้แต่ว่ามีเงาใหญ่คล้ายควายคล้ายวัวพุ่งออกไปแล้วก็สู้กันนูนเนียไปหมด ทุกคนที่อยู่บนห้างหายใจกันแทบไม่ทั่วท้องจนกระทั่งได้ยินเสียงของเสือร้องบาดเจ็บห้อยหัวนั่นแหละพ่อถึงได้บอกว่านอนกันได้แล้วทีนี้ไม่ต้องกลัวไอโทนมันจะเฝ้าให้เราที่ข้างล่างนั่นเองลุงชมก็เล่าต่อว่าเช้าตู่ของวันนั้นเมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่าราวป่าแถบนึงแหลกละเอียดต้นไม้หักโค่นเป็นแนวเพราะร่องรอยการต่อสู้เมื่อคืนนี้และไม่ไกลออกไปจากต้นไม้ที่ตั้งห้างเท่าไรนัก เสือโคร่งตัวใหญ่มาหืมาตัวหนึ่งนอนใส้ทะลักตายเพราะถูกแทงเข้าที่ท้องอย่างจังไม่ไกลาจากตรงนั้นมากนักก็มีบัวธนูสีทองแดงของคุณพ่อยืนอยู่ตัวเท่ากําปั้นไม่ใช่ตัวใหญ่ยักษ์อย่างที่มองเห็นเมื่อคืนนี้และนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเสือสมิงที่เรามักจะได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่เล่าให้ฟังอยู่เสมอในยามค่ําคืนที่มีการนั่งผิงกองไฟล้อมวงคุยกันจบแล้วครับ แต่ก็ขอให้ทุกท่านได้รับความบันเทิงจากการรับฟังนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ